พระเจ้านี่คำสอนของพระองค์พูดถึงเรื่องความทุกข์ไว้เยอะอย่างตอนธรรมวัชเช้าก็มีข้อความนะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ไว้ให้เราพิจารณานะหลายตอนด้วยกัน จนบางคนก็มองว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มองโลกในแง่ร้ายคือพูดเรื่องทุกข์ทุกข์ที่จริงพุทธศาสนาก็พูดเรื่องความสุขไว้เยอะเหมือนกันนะโดยเพพาะเมื่อพูดถึงเป้าหมายของชีวิต อย่างน้โรธเนี่ยนะก็คือความพ้นทุกข์นะซึ่งก็เป็นความสุขที่ประเสริฐที่สุดนะนิพพานนี่ก็เป็นความสุขนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนิพพานนงปรามังสุขขังนะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ที่พระเจ้าสอนเรื่องความทุกข์ก็เพื่อให้เรารู้จักชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็วางจิตวางใจให้ถูกถ้าวางจิตวางใจใถูกแล้วก็ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมดานะของชีวิตเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ความพัดพ่าสูญเสียมันก็จะไม่สามารถจะบีบคั้นจิตใจเราได้ แล้ก็ทั่งความตายนะเ่อถึงเวลาจะตายก็มีความสุขได้นะถ้าหากว่าเราปฏิบัติตัวถูกต้องวางใจได้ถูกต้องอย่างที่พรเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะอ่านะพุทธภาสินสั้นๆนี้นะ เชื่อว่าเนะี่ยในเวลาที่กําลังจะตายหรือในเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยก็ยังสามารถจะมีความสุขได้ความสุขมันเกิดจากการที่นอกจากทําบุญนะทําความดีแล้วเนี่ยก็เกิดจากการที่ยอมรับความจริงว่าเ อ, อความตายเป็นธรรมดาเมื่อเรายอมรับความตายเป็นธรรมดา ถึงเวลาจะต้องตายก็ไม่ได้ทุรนทุรายไม่ได้ทุกข์อะไรนะเพราะว่าเตรียมใจไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้เตรียมใจอย่างดีอย่างเดียวก็ทําความดีด้วยทําความดีสร้างบุญสร้างบุญสนอันนี้ก็เป็นการเตรียมแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อทําบุญจิตใจก็มีความปราบปื้มปิติมีความอิ่มเอิบนะก็มั่นใจว่าไปดีมั่นใจว่าจะไปสุคติ อย่างที่พุทธเจ้าตัดว่าในเมื่อตั้งมั่นในธรรมจะไม่กลัวประโลกเมื่อตั้งมั่นในธรรมก็คือทำความดีกายวาจาก็ทำดีส่วนใจก็เป็นกุศลยอมรับหรือเข้าใจความจริงของชีวิตได้ที่ย่งพุทธเจ้าก็ตัดนะพูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยนะพวค์ก็ได้พูดว่าเนี่ย ท่าทีต่อความสุขก็คือว่าไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมบางทีคนไม่เข้าใจพุทธศาสนานสอนให้ปฏิเสธละทิ้งเรื่องความสุขสบายไปหาความทุกข์อันที่จริงไม่ถูกต้องเลยพวะเคยตัดว่าเนี่ย ชาพุทธนะี่เราก็หนึ่งเราไม่หาทุกมาทับถมตนสองไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทมความสุขอะไรก็ตามที่ได้มาโดยชอบทมก็อย่าปฏิเสธอย่าละทิ้งความสุขที่ได้มาโดยชอบทมหมายความว่าเป็นความสุขที่เกิดจากน้ำพัดน้ำแรงของตัวหรือว่าได้มาโดยไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมาย เช่นเงินทองที่หามาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัมมาชีวะก็ต้องรู้จักใช้เงินใช้ทอนั้นเพื่อทำความสุขสบายให้กับตัวเองนะไม่ใช่มีเงินแล้วไม่ใช้นะในสาพวัฒนการนี่ก็มีเศรษฐีที่ร่ำรวยมากนะแต่ว่าตอนนี้ทีเหนียวไม่ใช้เงินนั้นเนี่ยเพื่อ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองกินข้าวหักกินข้าวปลายหักใส่เสื้อผ้าที่ขาดปูปากอยู่กระท่อมนะทั้งที่ตัวเองมีเงินเยอะแต่ว่าไม่ยอมใช้เงิ น, น, นอันนี้พระเจ้าก็ตำหนินะว่าเป็นคนโง่นะมีเงินแล้วก็ต้องใช้ใช้ให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยสี่นะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มนะหรือว่าที่อยู่อาศัยก็ต้องใช้ให้ให้เกิดความสุขความสบายอันนี้คนมักคิดว่าพุทธศ า, าสนาปฏิเสธเรื่องความสุขสบายมันมีคำสอนหมวดหนึ่งที่ชื่อว่า อายุวัฒนธรรมนะหมายถึงธรรมะที่ทําให้เกิดชีวิตที่ยืนยาวอายุวัฒนะก็คือมีอายุยืนนั่นเองนะอายุวัฒนธรรมก็คือธรรมเกี่ยวเรื่องการมีอายุยืนก็มีห้าข้อนะข้อหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยให้ให้หาความสะดวกสบายนะใส่ตัว อันนี้ก็เป็นคําสอนที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าคนเราเนี่ยนะถ้าว่ามีมีความสุขสบายก็เป็นความสุขพื้นฐานแต่พระองค์ก็สอนอีกข้อสอนต่อยด้วยว่าอย่าไม่ใช่ให้รู้จักประมาณในความสะดวกสบาย ไอสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่ามันสบายจนลดเกินนะหรือว่าไม่รู้จักประมาณในความสบายอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอันตรายต่อจิตใจด้วยอย่าเช่นสมัยนี้ก็เอาแต่นั่งๆันงนน่นอนนไม่ยอมเดินไม่ยอมออกกําลังกายเพราะว่ามันมีรถแม้แต่จะเดินไปซื้อของก็ไม่อยากเดินก็ นั่งรถนะชีวิตเป็นชีวิตแบบไม่ต้องออกกำลังกายเลยนะไม่ใช้แรงเลยอันนี้ก็เป็นชีวิตที่เสี่ยงมากนะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เดี๋ยวนี้เป็นมากนะเพราะว่ามันสะดวกสบายเกินไปทั้งวันนี่เอาแต่นั่งนั่งนอนนอนทำงานก็นั่งนะ กลับมาบ้านก็นั่งดูโทรทัศน์นั่งดูนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ก้มหน้าดูโทรศัพท์แม้แต่จะออกไปกินอาหารก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องออกไปกินอาหารแนละ้วไม่จำเป็นต้องออกไปซื้ออาหารที่โน่นที่นี่นะสั่งดิลิเวอรี่เข้ามานะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เล่นเกมออนไลน์ไป แล้วก็หิวก็ให้สั่งให้คนเอา พ, พิซซ่ามาส่งแล้ว ก, กินอยู่หน้าจอนีนะ่อันนี้มันสบายเกินไปสมัยนี้เขาก็แนะนำว่าเนี่ยอย่าให้ต้องรู้จักออกกำลังกายบ้างแม้แต่เวลาทำงานเนี่ยบางแห่งสำนัก ง, งานบางแห่งก็กกให้ยืนยืนทำงานนะแม่แม้จะเป็นงานใช้ความคิดอันนี้ก็ มีมีคนลองทำแบบนี้หลายแห่งนะในสานักงานที่ในอเมริกาในยุโรปเพราะว่าเขาว่ามันช่วยทำให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้เลือดลมดีแล้วก็สมองคิดได้ดีขึ้นนะสมองแล่นพูดง่ายอันนี้เพระเขาเห็นโทษของการที่นั่งตลอดเวลานะไปทำงานก็นั่งรถถึงที่ทำงานก็นั่งโต๊ะ เรกลับบ้านก็นั่งอีก น, ะนั่งบนโซฟานะอันนี้เราว่าไม่รู้จักประมาณในการในความสุขสบายอันนี้กลับมาที่ว่าพระเจ้าสอนว่าให้รู้จักอย่าไปอย่าละทิ้งความสะดกะดความสุขที่ได้มาโดยชอบธทำคนเรานี่ถ้าดูดีๆนี่เขาก็ละทิ้งความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมหลายอย่างนะ ทุกคนทุกวันนี้ที่มีความทุกข์กันก็เพราะว่าละทิ้งความสุขที่ได้มาโดยชอบทำไม่ใช่ว่าตนุนิธีเหนียวนะไม่ใช่ว่าอยู่อย่างโลดเดยอยากอยากนะแต่หมายถึงว่าการที่เขามองข้ามความสุขที่เขามีนะหลายคนมีมีอะไรต้องเยอะแยะนะแต่ก็ยังเป็นทุกข์เพราะว่านึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มี อย่างเด็กเนี่ยนะมีอะไรต้องเยอะแยะมีของเล่นมากมายมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมีโทรทัศน์มีกล้องนะมีกีตาร์มีกลองมีเครื่องดนตรีมีโน้ตบุ๊กนะแต่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะว่า ยังไม่มีเพราะจิตมันคิดแต่ว่าฉันยังไม่มี iPad, iPhone เห็นเพื่อนเขามีกันฉันไม่มีอยากได้ <c oughs> ก็กินก็นอนไม่หลับนะกลุ้มอกกลุ้มใจเศร้าโศกเสียใจอันนี้หมออยก่ดีนะอันนี้เรียกว่าเป็นการละทิ้งความสุขที่ได้มาโดยชอบทม <c oughs> คือมีของเล่นเยอะแยะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่า ก็ไม่รู้จักชื่นชมมันไม่รู้จักใช้มันเพื่อหาความสุขคิดแต่ว่าฉันยังไม่มีโน้ตฉันยังไม่มีนี่อันนี้ไม่เป็นกระเดงเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นนะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ก็ทุก์ทุกใจเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่มีอย่างโน้ตยังไม่มีอย่างนี้ยังไม่มีรถคันรถคันรูอย่างที่เพื่อนบ้านมีเนี่ยยังไม่ได้ ตำแหน่งผู้จัดการเพื่อนๆนี่เป็นผู้จัดการกันเยอะแยะแล้วฉันยังไม่ได้เป็นก็คิดแค่นี้แหละคิดแต่ว่าฉันยังไม่มีอะไรแต่มองข้ามว่าฉันมีอะไรบ้างคนเราถ้ารู้จักมองมองสิ่งที่ตัวเองมีบ้างว่ามันให้ความว่ามัน มันให้ความสุขกับเราอย่างไรนะเขาก็จะมีความสุขได้ง่ายนะมีที่ประเทศไต้หวันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุสามสิบแกเกิดมานี่ก็พิการทางสมองเดินไม่ค่อยเดินไม่ได้เลย แล้วก็พูดไม่ได้ด้วยแต่ว่าเธอก็สามารถเทียบภาคเพียนนะจนเรียนจบปริญญาเอกที่หมหาวิทยาลัยในอเมริกามีชื่อมีชื่อมาก UCLA หมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียได้จบปริญญาเอกคนก็ทึ่งมากนะว่าโอ้เธอทำได้ยังไงนะ ไอคนที่มีร่างกายปกติอยังบางทีเรียนหมายถ่ยไม่จบด้วยซ้ําแต่เธอนี้ก็มีอุปสรรคหลายอย่างก็ยังเรียนจบเธอก็ได้รับช่วยให้ไปเป็นไปพูดให้แรงบรรดาลใจกับผู้คนคราวนึงก็ไปบรรยายที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งบรรยายเสร็จบรรยายนี่หมายถึงเขียนใส่กระดาษ น, นะพูดไม่ได้ เขียนใส่กระดานพอบรรยายเสร็จก็มีนักเรียนยกมือถามว่าเธอรู้สึกกับตัวยังไงหรือมองตัวยังไงนะที่เกิดมาพิการห้องประชุมนี่อึ้งเลยนะเงียบเลยพอมีคนถามคำถามนี้พระปกติเขาก็ไม่ถามคำถามนี้ตรงๆกับคนพิการหรือว่าคนที่มีปัญหาแบบนี้ แต่หวังเมลินเนี่ยเธอชื่อวังเมลินเธอเธอก็ยิ้มเธอก็หันไปที่กระดาษแล้วก็เขียนฉันมองตัวเองอะไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักฉันสองฉันมีพ่อพ่อแม่รักฉันสามพระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสสี่ฉันมีขาที่สวยงามหาฉันมีแมวที่น่ารักโกฉันวาดรูปเขียนหนังสือได้ แต่ที่คนประทับใจมากซึ่งมันเป็นการสรุปรอบยอดอเคล็ดับการที่เธอทำงานอย่างมีการที่เธอมีความสูขแล้วก็ประสบความสาเร็จเธอเขียนว่าฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีแล้วคนก็ตบมือใหญ่เลยนะสิ่งที่เธอไม่มีคืออะไรสิ่งที่เธอไม่มีก็คือความสามารถในการพูดหรือว่าความสามารถในการเดินเหินได้ เธอไม่มีแต่เธอก็ไม่มาไม่มามัวแต่คิดแต่อันนี้คนที่คิดแต่ว่าฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีะไรมีแต่ทุกข์นะคนเหล่านี้เขามองข้าม textbook. ว่าฉันมีอะไรบ้างแต่วางมือหลงนี่เขามองว่าฉันมีอะไรบ้างาไอ้ที่ฉันไม่มีฉันก็ไม่สนใจเพราะไม่มีประโยชน์นะคิดแล้วทุกข์ปะาะฉันก็มองสิ่งที่ฉันมีชื่นชมสิ่งที่ฉันมีนะ อันนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำเนะมันเป็นความหมายหนึ่งไม่ใช่แต่ว่ามีเงินแล้วก็ใช้เงินให้ใหมีความสุขเท่านั้นแต่ว่ารู้จักชื่นชมมันด้วยรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีถ้าเรารู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่เรามีเราก็จะมีความสุขนะสุขตอนนี้เลยสุขเดียวนี้เลย แต่คนทุกวันนี้เนี่ยไปมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีมองข้ามความสุขที่ตัวเองมีมองไม่เห็นความสุขที่ตัวเองมีวัยรุ่นหญิงสาวหลายคนนะก็รูปร่างหน้าตาก็ดีบ้านก็สุขสบายครอบครัวก็อบอุ่นนะ เธอไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแต่ก็ยังทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามีเสิอไม่กินไม็ดบนใบหน้าใจก็จดจอ่อแต่เส้อไม่กินแบบนั้นแหละแต่ว่าสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเยอะแยะนี่มองไม่เห็นไม่รู้จักชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีไปนึกแต่ว่าฉันยังไม่มีโน่นฉันยังไม่มีนี่หรือว่าฉันยังมีสิ่งที่ไม่ดี มีสิ่งที่แย่ๆอยู่อันนี้ก็เรียกว่าล ะ, ะปฏิเสธความสุขที่ที่ได้มาโดยชอบทําหรือปฏิเสธความสุขที่มีอยู่แล้วนคนเราเนี่ยมีความสุขนคนเราส่วนใหญ่ล้วนแต่มีความสุขนั่นแหละแต่ที่ทุกข์ก็เพราะมองไม่เห็นความสุขนั้นไอ้การที่มองไม่เห็นหรือไม่ชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีเนี่ยก็เรียกว่า ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทมซึ่งเป็นกันเยอะอ น, นี้ข้อนที่พุทธเจ้าสอนนี่คือว่าที่จริงสอนเป็นข้อแรกก่อนเรื่องไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทมก็คือสอนว่าอย่าเอาทุกมาทับถมตนนะอย่าเอาทุกมาทับถมตนนะความหมายนั้นก็คือว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัว หรือว่าอยาจะอย่าอย่าเอาสิ่งไม่ดีมาใส่ตัวคนที่ติดเหล้าติดบุหรีนี่ก็เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนนะเพราะว่าเหล้าบุหรีนี่มันเลืแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อความทุกข์ให้กับชีวิตของตัวเองอันนี้เป็นความหมายหยาบๆนะเ อ, เอาเอาเหล้าบุหรีนี่มามาใส่เข้าไปในร่างกายงตัวเนี่ย อันนี้ก็เป็นการเอาทุกมาทับถมตนอย่างหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าไปไปทรมานตนแบบฤาษีชีพไพรเท่านั้นนะอาการที่เอาไปทรมานตนอย่างฤาษีชีพไพรที่บำเพ็ญทุกร ก, รกิริยาเ น, นี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเลยเรียกวทุกมาทับถมตนนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทําอย่างนี้แต่ว่าก็ยังเอาทุกมาทับถมตนด้วยการอย่างที่พูดนะ เอาสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายนี่มาใส่ตัวเราบุหรี่ยาเสพติดแต่ถึงแม้วไม่แต่ต้องสิ่งเหล่านี้เลยหลายคนก็ยังเอาทุกมาทับถมตน อ, อย่างที่ยเตัวย่างมาสักครู่นี้ก็เหมือนกันนะมีมีของเยอะแยะนะแต่ไม่รู้จักชื่นชมไปจดจ่อยไปจดจอมจอมอยู่กับความคิดว่าฉันยังไม่มีโน่นฉันยังไม่มีนี่ <c oughs> นคนที่คิดแบบนี้เรียกว่าคิดลบนะคิดแต่ว่าฉันไม่มีอะไรบ้างหรือมองแต่ว่าฉันเสียอะไรบ้างนะคิดแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเอาทุกมาทับถมตนอย่างที่หวังเมริบอลเนี่ยฉันไม่ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีเมื่อใดก็ตามที่เรามองสิ่งที่เราไม่มีแล้วมองด้วยความอิดชา้ามองด้วยความรู้สึกทุกข์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากาลังเอาทุกมาทับถมตนละ ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเอาไปมองสิ่งที่มันไปซ้ำเติมตัวเองหลายคนเจ็บป่วยนะป่วยกายไม่สบายแต่ว่าพอวางใจไม่เป็นนะมันทุกข์ใจด้วยเอาแต่บ่นคร่ำควรวญว่าทาไมจึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เรียกว่าเอาทุก ม, มาทับถมตนเหมือนกันนะคือว่าป่วยกายไม่พ อ, อยังยังยังป่วยใจด้วย ป่วยกายนี่เพราะเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะเพราะว่าบางทีมันก็มีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายบางทีก็มีเชื้อมะเร็งแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรทําคือไปซ้ําเติมตัวเองซ้ําเติมตัวด้วยการวางใจไม่ถูกก็เลยป่วยใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ มะเร็งเนี่ยบางทีมเป็นแค่มะเร็งระยะต้นนะแค่ระยะ1ระยะสองเนี่ยยังใช้ใชีวิตได้ปกติปกติแต่หลายคนวางใจไม่เป็นก็ไปคิดไปไกลถึงว่าเป็นมะเร็งที่ฉันต้องตายแน่นอนคิดถึงความตายก็กลัวหรือว่าคิดถึงตอนจะตายอยู่โรงพยาบาลก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวตื่นตอนหนอก อันนี้เราตตนไปก่อนไข้เหตุการณ์ยังไม่ถึงเลยนะกลัวไปซะและ้วกลัวเพราะความคิดปรุงแต่งอันนี้ก็เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนเนะงินหายของหายแทนที่จะหายแต่ของแทนที่จะเสียแต่ของเสียแต่งเงินพอวางใจไม่เป็นคิดคิดแต่เรื่องนี้คิดแต่เรื่องเงินหายถูกโกงเป็นยงไง เงินไม่หายอย่างเดียวนะใจก็หายด้วยใจเสียใจไม่ไเสียเอยงเดียวนะพอกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้หมดกุ้มใจมากๆร่างกายก็แย่สุขภาพก็เสียป่วยอันนี้เรียกว่าเสียสุขภาพหรือถึงแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่พอกัดกลุ่มเสียไดย้เสียใจก็ทํางานไม่ได้เสียงานอีก ไม่มีอารมณ์ทำงานเสียงานมีเพื่อนมาหยอกเลาะล้วก็หยอกเลาะตามปกติแต่พอเราหงุดหงิดเสียใจก็โกรธด่าว่าเพื่อนทะเลาะกันเสียเพื่อนน่ไอ้เสียเงินหรือว่าถูกโกงนี่คนอื่นทาส่วนเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนนี่เราทำเองทั้งนั้นเลยถามว่าทำแล้วทุกข์ไหมก็ทุกข์ แต่ก็ยังทำอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองอันนี้เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนคนเราบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่เราก็ชอบซ้าเติมตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ผู้คนทำกันเยอะแยะนะแทนที่จะเสียหนึ่งก็ปล่อยให้เสียสองเสียสา ม, เ ส, สามเสียสี่ เวลาทํางานนะไองานนี่มันก็หนักอยู่แล้วแต่พอวางใจไม่เป็นก็ไปก็ไปโกรธเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเราเลยไม่กินแรงเออกินแรงเราให้เราทํางานหนักแต่คนอื่นทํางานเบานะไม่พอใจไม่พอใจเจ้านายที่ไม่เป็นธรรมกับเราโกรธเพื่อนที่กินแรงแทนที่จะเหนื่อย เนื่อยแค่อย่างเดียวก็เหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจอันนี้เราซ้ําเติมตัวเองนะอันนี้เรียกว่าเอาทับเอาทุกมาทับถมตนเวลาทํางานเนี่ยคนเราชอบเอาทุกมาทับถมตนโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่ได้ทุกใจเพราะว่าเพื่อนกินแรงเจ้นานายไม่เป็นธรรมก็อาจจะทุกใจเพราะาใจมันคิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จ หรือว่าคิดวิตกกังวลว่างานออกมาจะเป็นอย่างไรเจ้านายจะว่าไหมคนก็จะมองเราอย่างไรจะสําเร็จหรือเปล่าพอคิดแล้วก็กังวลหนักใจให้เหนื่อยกายก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะทํางานยังมายังมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจอันนี้ก็เราอาทุบมาทักถมตนนะส่วนใหญ่ทําโดยไม่รู้ตัว ถ้าดูดีๆเนี่ยที่พระเจ้าสอนเนี่ยสองข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นๆนะไม่เอาทุก ม, มาทับถมตนและไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางั้นแหละทั้งสองข้อหรือว่าละเลยทั้งสองข้อยิ่งข้อที่สามในพุทธบาลเนี่ยอย่ายึดติดในความสุขนั้น หรือว่าอย่าสยบมัวเมาในความสุขนั้นสุขที่ได้มาโดยชอบทำเราอย่าเราอยากปฏิเสธแต่เราก็อย่าไปมัวเมาหลงไหลเช่นมีเงินนะมีเงินเงินที่ได้มาโดยความสื่อสัตสุจริตแล้วก็มาใช้ทําความสดกสบายให้ความสุขกับตัวเองแต่ว่าก็อย่าไปหลงไหลในความสุขนะเอาแต่เพลิดเพลินจนไม่เป็นอันทํางานหรือว่า ลหลงไหลในความสุขจกนกระทั่งกลายเป็นพวกติดในวัตถุนะติดในความสะดกสบายอันนี้ก็ไม่ถูกข้อสามนี้ยิ่ ง, งทํายากใหญ่นะหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะทํากันเลยการไม่สยบโมมาในความสุขนะ อ, น, น, อ น, นี้รวมถึงเรื่องของร่างกายด้วยนะความการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งคนหนุ่มคนสาวนี่ก็ถือว่า ก็มีความสุขโดยที่เข า, า จ, จะไม่รู้ตัวนะก็คือมีกำลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้เป็นความสุขแล้วนอกจากมองไม่เห็นแล้วนะก็ยังใช้ก็ยังประมาทในในในสุขภาพนะันนี่เรียกว่าเพลินเพลนในเผลนในวัยเพลินในสุขภาพ ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือมองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่สักวันนึงเราต้องเจ็บพอแก่เข้าพอเจ็บเข้าโอเป็นทุกข์เลยเพียงแค่ผมหงอกเพียงแค่อเริ่มมีสิวฝ้าตกกระเริ่มนังเริ่มย่นเป็นทุกข์แล้วนะวัรุ่หลายคนเนี่ยพออายุพอพออายุยี่สิบกว่านะ มันก็มีรูรอยของความแก่ให้เห็นบ้างคือน้องไม่เต่งตึงบ้างแล้วก็ทุกข์แล้วยิ่งอายุสี่สิบห้าสิบก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่อันนี้พราะเขาส่ <c oughs> เขมวเมา ใ, ใ, ใ, ในในในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำใจเผื่อไว้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งต้องเจ็บต้องป่วย หรือว่าเรามีรถเราก็ใช้ใ ร, ชนนรอถยยย อ, ร อ, รรยอย่างมีความสุขเพลิดเพลินในการใช้รถแล้ววันหนึ่งวัดรถมันเสียไปหรือว่ารถถูกขโมยไปเนี่ยก็ทุกข์แลมีแก้วแหวนเงินทองมีมีกําไรทองมีกําไรเพชรก็สวมใส่ได้อย่างมีความสุขนอวดคนแต่พอมันหายพอถูกขโมยไปก็ทุกข์อันนี้เพราะว่าไปหลงไหลในความสุขเหล่านั้นน่าจะเป็นความสุขที่ได้ชอบทางไม่จะไปหลงไหลมัน เพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงข้อสุดท้ายวิชาตัดว่าให้รู้จักนะดับทุกนะนอกจากไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนแล้วไอ้ทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยนะก็ต้องรู้จักนะหาทางดับมันหรือว่าหาทางพ้นทุกข์ให้ไดนะ้อันนี้แหละก็เป็นเรื่องของการเนะที่จะต้องมาฝึกจิตฝึกใจ เพราะว่าทุกเนี่ยแม้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ว่าถ้าเราฝึกจิตฝึกใจดีนะเราก็สามารถที่จะยกจิตออกจากความทุกข์ได้ร่างกายมันทุกนะเพราะมันแก่มันชราข้าวของทรัพย์สินเงินทองมันเสื่อมไปเพราะเพราะมันเป็นธรรมดาของสังขารแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ไดนะ้นอกจากไม่เอาทุกมาทับสมตนและไอ้ทุกที่มีอยู่นะที่มันเป็นทุกยืนพื้นเนี่ย ก็ต้องรู้จักนะรู้จักยกจิตให้เป็นสระจากมันให้ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝนะึ ก, กจิตฝึกใจเรื่องของการบําเพ็ญภาวนาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะหรือว่าไม่มีเวลาจะทําแต่งน้อยเนี่ยไอ้สามข้อแรกนี้ต้อควยังทําให้ได้ ไม่หาทุกข์มาทับถมตนไม่ประเสียความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็ไม่ยึดติดสยบโมมะในความสุขนั้นนี่ถ้าทำสามข้อได้แล้วเนี่ยมันจะเห็นความสำคัญของข้อที่4ี่แล้วก็จะเป็นบันไดไปสู่การทำข้อที่สี่คือการดับความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างที่เราสวนมอสักครู่เนี่ยทำฉันไนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดแกเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราต้องระลอยู่เสมอนะท่าที่ต่อความทุกข์และความสุขสี่ประการนี้นะ ย, ยัยถ้าเราระลึกแล้วก็ปฏิบัติอยู่เสมอทำทั้งในระดับที่มันเป็นระดับพื้นพื้นห ย, ยาบหยาบจนทั้งถึงระดับที่ละเอียดนะเราก็จะมีความสุขได้คือแม้ความทุกข์ยังมีอยู่นะวะแต่ก็ยังสามารถจะมีความสุขได้มากขึ้นกว่าชีวิตที่ผ่านมาเอาใช้เดี๋ยวกพกันเท่านี้นะอากาศพาความเกัง